ก็ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านทุกฝั่งทั้งหลายแต่รูปปัโฐิยานกำลังนำเสนอเรื่องสัมมาสังกัปะคือความดําริชอบก็เลยพูดถึงเนกขัมมะสังกัปะคือความดําริในการที่จะออกจากกามเอาปยาปาดสังกัปะคือความดั่มริในการที่จะไม่อาฆาตพยาบาท ซึ่งหมายความว่าใจที่ประกอบด้วยความเสียสละและความเมตตานั่นเองในข้อต่อไปเป็นความดำริในการไม่เบียดเบียนเรียกว่าอาวิหิงสาสังกปะครานี้ันสังเกตว่าอาวิหิงสาก็คือการุณานเด็ง รกรุณาก็อยู่ทรงกันข้ามกับวิหิงสาที่แปลว่าความเบียดเบียนความเบียดเบียนจึงเป็นปฏิปักษ์หรือเป็นขั้นสึกต่อความกรุณาปัญใจที่ประกอบด้วยอวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนจึงถือว่าเป็นธรรมะที่ระดับสูงมากเหมือนกันอย่างท่านใช้คาว่าอาิงสาประโมทรโมอหิงสาเป็นบรมธรรม เพราะถ้าเรามองที่ประพฤตคุณที่เราพูดถึงรู้ตื่นเบิกบานนะอาการเบริกบานนั้นเป็นอาการของกรุณาคือมองสรรพสัตว์ตกอยู่ในทะเล ข, ของความทุกข์ด้วยกันแล้วเป็นผู้ควรแก่การช่วยเหลือด้วยกันไม่มีความรู้สึกแบ่งแยกไม่มีอภิสิทธิ์ในจิตที่กรอบด้วยความการุณา ลักษณะของการุณาหรือวิหิงสาอาหิงสานะฮะอาหิงสาหรืออาวิหิงสาก็ได้แก่สภาพจิตที่มีความต้องการจะบำบัดุซึ่งเกิดขึ้นแก่คนอื่นสักอื่นหมายความมาโดยพื้นฐานจิตเราก็มีเมตตาต่อเขาอยู่ อย่างนันเกยยกตัวอย่างให้ฟังว่าโดการปรับเปลี่ยนของจิตตามความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของบุคคลนั้นๆํนำนองใกล้ๆกับเรามีลูกลูกวุ่นในคันพ่อแม่ก็มองด้วยเมตตา ปรารถนาที่จะเห็นลูกคลอดออกมามีสุขภาพพลรนาใหม่ดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอาการครบสามสิบสองลูกฟังหนา้าตาดีก็แล้วแต่จะปรารถนานะคือมุ่งคนทั้งหมดอันมุ่งที่ตัวลูกโดยลูกได้รับประโยชน์จากความมุ่งหวังของตอนเองแต่ถ้าลูกคลอดออกมาแล้วก็เป็นไปาตามที่เราต้องการเนี่ยมันจะเกิดมุทิตาคือชื่นชมยินดี ในการที่ได้ลูกมาสุขภาพปรลานาแบรดีรูปร่างหน้าตาดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไม่ปีคนพิการเราก็มีมุทิตานะฮะเพลินชื่นชมยินดีก็เราก็มีส่วนร่วมในด้านความภาคภูมิใจนะความสบายใจความสงบใจแต่ทีนี้ถ้าลูกออกมามีปัญหาเราก็จะเกิดความกรุณา เราจึงพบว่าพ่อแม่บางคนนี่ทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตลตงไปนะเพื่อมาอยู่กับลูกบางคนต้องลาออกจากราชการมางคนต้อตัดตัวเองนะจากสังคมเพื่อมาดูแลลูกที่พิการนั้นแสดงถึงจิตตาณุภาพของคนที่มีความการุณาเพรกรุณาจึงเป็นความรู้สึกที่มุ่งบำบัด ปัญหาภัยอันตรายซึงย่งเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นแต่ถ้าลองสังเกตดูสภาพจิตนะฮะว่าถ้าคนเหล่านั้นเราเกลียดเขาซะก่อนเนี่ยเราจะไม่เกิดกรุณาก็ลองดูก็ได้นะฮะเช่นสมมุติว่าคนเดินไปข้างหน้าเราสองคนสามคนนะเอาก็เสีขนาดสามคนคนหนึ่งเราเกลียดเขาคนหนึ่งเราเฉยๆคนหนึ่งเรารักเขา แล้วต่อมาคนทั้งสามนะเกิดลื่นพลาดล้มพร้อมกันเลยสามคนคือเราจะวิ่งไปหาคนที่เรารักนั่นคือจิตมันเป็นอย่างนั้นเลยแล้วถ้าหากว่ามันล้มคนเดียวจะเพราะคนในเราเกลียด ร, รู้สึกสะใจเล็กๆนะอาจจะปวเราอหรืออาจจะวัวราอไปเลยคนได้รู้สึกเฉยๆไม่แน่หรอกคือว่า อาจจะเปลี่ยนเป็นกรุณาก็ได้อาจจะเปลี่ยนเป็นเฉยๆก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นสะใจก็ได้คิเบียดเบียนก็ได้มันขึ้นอยู่กับเฉยขนาดไหนแต่พื้นจิตเนี่ยของคนเรามีความสาคัญว่าถ้าพื้นจิตเราดีแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้คือเปลี่ยนออกมาในรูปของการสร้างสรรค์พัฒนาได้ดังนั้น เมื่อเราเกิดกรุณาเนี่ยมันจะไปลดความรู้สึกเบียเดเบียนและจิตใจจะอ่อนโยนตราคนเราเนี้ยมีปัญหาอะไรนิดๆหน่อยเราก็อยากจะมีส่วนร่วมในการแก้จัดปัดเป่าคล้ายๆกับปู่ย่าตายายที่ท่านเลี้ยงดูหลานนะ่ยนะฮะเราจะาเรียงดูด้วยความการุณา คนจะทุบเท ม, มากกว่าที่พ่อแม่เขาเลี้ยงนะนทีเนี่อย่างกรมปยัาญำ ร, รงท่านเขียนไว้ว่าไอตอนลูกนี่เขานั่งตัดแนมะตอนหลานต้องขี่คอเลยเพราะว่าคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายนั้นจิตใจจะอ่อนโยนกับหลานจึงเกิดการุณา แล้วก็มุ่งที่จะบำบัดจนบางทีนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันคือตามใจลูกหลานมากเกินไปการปฏิบว่าธรรมะจะต้องจับหลักไว้อย่างหนึ่งว่าสติสมัญญะเนี่เราต้องมีนะคือหมายความว่าปัญญาเนี่ยเข้าเข้าเข้ากับกับทุกข้อที่เราใช้ถ้าไม่มีสติสมัญญะหรือสติปัญญาเข้ากํากับแล้วเนี่ยธรรมะมันแกล้งได้ ยังกรุณาเนี่ยถ้าเราขาดการวิเคราะห์จิตเราเองมาจะเวียงไปในรูปของชั้นทาคติก็ได้นะฮะลำเอียงเพราะรักใคร่กันแล้วก็ปกป้องคุ้มครองจนไม่ดูดำดูดีไม่ดูตามาตาเรืยเลยแล้วบางทีก็อาจจะออกมาในรูปของความเบียดเบียนก็ได้นะฮะ เรื่องที่ออกมารูปความโศกเห็นว่าคนที่เรากรุณาเกิดประสบปัญหาเกิดประสบอันตรายเกิดหกล้มไม่ได้เกิดบาดเจ็บล้ ม, มตายอะไร้องห่มร้องไห้ ก, นนกันเป็นวักเป็นเบ็ดเนี่ยเพราะมัาจะเวียงไปสองสองทางคือทางหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความโศกทางหนึ่งก็เป็นฉันถาคติคือลัมเอียงผลรรักไถกัน แล้วเราก็แยกจิตไม่ออกนะครับว่ามันเป็นกรุณาหรือว่าเป็นโสกะหรือว่าเป็นฉันทาคติเพื่อการที่ปรากฏแก่จิตเนี่ยจิตมันอ่อนไหวด้วยกันแต่เราจะเห็นว่าแนวที่ออกมาเป็นโสกะมันเป็นทุกข์ษัตริย์ตัวนี้จะชัดเจนนะฮะว่าโสกะเนี่ยเป็นทุกข์กษัตริย์แล้วพอฉันทากตินี่เป็นสมุทัยกัตร์แต่กรุณามันเป็นมรรคกษัตริย์ เมตตาเองก็เป็นมรรคสัตว์อย่าลืมว่าตัวนี้เป็นสมถะทางกับปะอยู่เป็นอริมัติเพราะถ้าเราพอแยกจิตเราจะชัดชัดเอออันนี้ไม่ใช่แต่ว่าการปรากฏตัวของเขานั้นถ้าเราไม่ชัดเจนแล้วก็หลงทางได้ท่านเรียกเป็นข้าสึกใกล้ชิดข้าสึกใกล้ชิด ต, ต่อกรุณาก็คือโสกจิต จิตที่มันเศร้าโศกประเวทนาการร้องไห้ร่ำไรร่ำพันต่างๆคคที่ตนรักนั้นประสบภัยพิบัติประสบอันตรายแล้วก็ดูไม่ออกหรอกคือไม่ไม่ได้ไปมองว่านี่มันมันมันร้องให้ทำอะไรละ่ะมันได้แล้วพระธรรมามันมีความสุขเป็นผลนะฮะคือว่ามีความสุขมีความสงบมัเป็นผล แต่ว่าโศกมันไม่ใช่มันเป็นทุกข์เนี่ยหฉือันทากติเนี่ยมันมีความเราร้อนนะคุณพร้อมจะเกิดโทสะเลยหมายความใครเกิดจับได้ไล่ทันขึ้นมาว่าเราแสดงนี่เราแสดงหนึนันทากติเราเกิดโทสะเลยแต่ถ้าอยู่ด้วยความกรุณาหรืออยู่ด้วยอหิงสาหรืออวิหิงสาก็ตามนะอะหิิงสานั้นเป็นสาสนิสลามอหิิงสานั้นเป็น พระถาบาลีก็แปลเหมือนกันนะฮะคือการไม่เบียดเบียนด้วยกันพระพุทธศาสนาเราที่จริงเป็นศาสนาของการไม่เบียดเบียนคุณลักษณะของบุคคลในวดมคติของพุทธนะที่จริงจะเป็นอุปสมบสิ迦ก็ตามแต่กัก่อนไปเจอหนังสือซื้อพิมอะไรมติชนนะฮะมีพระรูปหนึ่งก็เขียนเรื่อง ภิกษุณีที่อะไรนะฮะไม่สามารถดิกเรียงได้กับที่จริงเขาไม่ได้ว่าอะไรนะฮะคือยังขนาดพระเองยังจับประเด็นไม่ได้เนี่ยก็น่าสลดนะฮะเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเทระวาดนั้นบวชให้ไม่ได้ให้เธอบวชมาเป็นฝูงยังไงเนี่ยฮะท่านกย็ยติให้ไม่ได้เรานั่นคือประเด็นสำคัญ แต่ทีนี้ถ้าบวชมาจากหม้ายานเขาไม่ได้ว่าอะไรนี่เลวลานี้มันก็อยู่เยอะแนละ้วแต่เมืองไทยเนี่ยท่านไม่มีอำนาจไม่มีหนา้าที่ไม่มีสิทธิที่จะบวชให้มันไม่ใช่กีดกันรังแกผู้หญิงรังเกีผู้หญิงไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะก็อธิบายกันในแง่ของวินัยนั่นคืแสดงให้เห็นว่าเราสับสนเราไปลําเอียง ไปไปมีความคิดเป็นอากาติคือไปฝักไฟพวกตัวเองนะฮะคือจัดสมาในพวกเขาเยอะมันพวกก็ออกมาเขียนมาพูดกันอุตหลุดไปหมดเลยแล้วที่สําคัญยยิง่งคือไปด่าคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะเวลาเนี่ยเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรแต่ว่ามีการอธิบายที่แจงเวลามีการสอบถามแต่ไม่ได้มีเจตนาร้าย อย่างแต่บอกให้เป็นถูกต้องนะคนเรถ้าบวชมาไม่ถูกต้องนะเป็นลวงโลกนะเหมือนกับพระพรหมบวชนี่ย บ, บวชเก่งไปเลยนะฮะเป็นภิกษุณีก็ลวงโลกได้นะฮะถ้าบวชมาไม่ถูกต้องเนะี่ยแล้วอย่าไปพูดเรื่องสมมติสัจจะอันนี้มันเป็นเงื่อนไขของพระวินยัยมันเป็นกฎหมายในพระาศาสนากฎหมายว่าอย่างไงคืออย่างนั้นมันไม่ใช่ปรมัตดในเรื่องที่จะต้องอาศัยสมมติ ก็ถ้าถ้าอย่างนั้น่จบสิถ้าปรมัดมังมันมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยสแต่วัตถุแทรกไปในวัตถุเท่านั้นเองก็จะจบเลยสมมุติคือสมมุตินะฮะแล้วสมมุติเป็นสังเกตกรรมด้วยอันนี้คืออะไคือมันออกมาในรูปของเป็นชันทากติไปแล้วในที่สุดมันก็มองคนอื่นเป็นอุปสรรคขัดขวางเขาไม่ได้ขัดขวาง อย่างคุณเวลาพอ่อเนี่ยแกบวชมาแล้วอาตมาเองก็รู้จักแกนะแต่ยังนึกว่าแกเรียนวินัยกันมาหรือเปล่าเพราะว่าพระผู้หญิงกับพระผู้ชายจะมือถือแขนกันได้ปกติเลยเราก็งงไม่รู้เรื่องเหมือนแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ญี่ปุ่นขนาดมีเมียอย่งได้เลยเกาหลีใต้เนี่ยก็เคยมีเมียนะพระเนี่ยก่อนที่ทหารไทยจะไปอธิบายชี้แจงเกิดความกระจายนุศาสนาจารย์ไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขา แต่ว่าปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาสําคัญที่ว่าจิตใจของบุคคลนั้นจะต้องมองด้วยความการุณาโดยเมตตาโดยกรุณาคือถ้าหากว่าเขาไปบวชมาไม่ถูกต้องแล้วแสดงสถานะใช้สิทธิผลประโยชน์ในความเป็นภิกษณุณีโดยตัวเองบวชมาไม่ถูกต้องนี่เป็นบาสนะไม่เป็นสัมมณีปฏิยานตนเป็นสมณีไม่เป็นสมณะไปปฏิยานตนเป็นสรมมณะนี่เป็นบาสนะ ศัยสิทธิผลประโยชน์จากความเป็นสมณะทั้งๆ ท, ที่เราไม่เป็นสมณะมันก็เหมือนกับคนปลอมเป็นตำรวจแล้วก็ไปจับกลุ่มคนไปรีดไถคนอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ผิดอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองไปจับกลุ่มยังพอไหวนะฮะทําหน้าที่พ ล, ลัเมืองดีแต่รีดไถเนี่ยมันไม่ได้คือเรื่องปลอมเรื่องจริงเรื่อง สัจจะนี่มันพูดระดับปลอมหรือจริงในแง่คนสมมตินี่แหละแต่ว่ามันต้องถูกต้องตามสมมติทีนี้ลักษณะของกรุณาเนี่ยพอเกิดแล้วเนี่ยมันจะปดกั้นไม่ได้เวลาคนอื่นประสบความทุกข์นี่ทนดูไม่ได้ต่จ้องดิ้นรนช่วยเหลือขวนขวายแต่ไม่จะโศกนะในขนาดเดียวกันก็ไม่ใช่เอียงหรือไม่โศกแล้วก็ไม่ลาเอียง แต่ว่าทนที่จะปล่อยให้เขาประสบปัญหาอยู่ไม่ได้อย่างปัญหาที่บังเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราในปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยพูดจาชี้แจงกันน่าจะเกิดความเข้าใจแต่นั่นแหละว่าเงื่อนไขสภาพแวดล้อมภายในสังคมในบางทีก็เอาอย่างกันแต่ทั้งหมดเราควรแกการกรุณา อย่างพวกติดยาบ้านะฮะไอ้จำนายยาบ้าเนะี่ยไม่รู้จะว่วยังไงเพราะว่าถ้าเราไปอธิบายชี้แจงอะไรเนี่ยเรากลายเป็นศัตรูเขาเลยนะฮะเขาอจขาจจะฆ่าใจก็ได้บางก่อนก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าหมอที่ค้นพบยาบำบัดโรคเอดเวลาเนี้ยจะต้องอยู่ภายใต้การรักขาคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ทตงหมด เพราะว่าต่างชาติก็ฆ่าจะแน่ทตนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันไปทําลายผลประโยชน์เขเยอะเลยแต่ตรงนี้ถ้าหากว่าเรารักมนุษยชาติเรามีความกรุณาต่อมนุษยชาติเราจะดีใจมากเลยนะใครค้นพบยาที่สามารถรักษาโรคเอดได้สามารถรักษาคนยาเสร็จติดได้ในเราจะอนุโมทนาเชื่ชนโชยิต ด, ดี นี่ ค, คือคือคือปัญหาสำคัญว่าทำไมเ็าเบียดเบียนล่ะแล้วก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าเกิดนะพระเจ้าอุบัติมาทำไมคนเบียดเบียนล่ะเพราะเขารู้สึกว่าพรเจ้าเป็นอุปสรรคขัดขวางในการได้มาซึ่งผลประโยชน์สำหรับพวกของเขาถ้าพระเจ้าไม่เกิดมาเนี่ยเขาก็จะเรินรุ่งเรืองก็หลอรงโรกหลุนชาวบ้านได้สบาย แต่พอพระพุทเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยส่งชี้ทางบรรทอทุกที่สุกเกษมให้แก่ชาวโลกชาวโลกเขารู้อะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดเขาก็ประพฤติปฏิบัติไปแล้วก็ทอดทิ้งศาสนาต่างๆการทอดทิ้งศาสนาเหล่านั้นมาเนี่ยเขาก็สูญเสียผลประโยชน์จํานวนมหาศากต้นกรุณาเนี่ยเป็นธรรมปฏิบัติส่วนตัวเราที่จะเกื้อกูลกับคนที่เขาประสบความทุกข์อยู่ เราคนที่จะปล่อยปละละเลยเของอย่างนั้นไม่ได้คือบางครั้งบางคราวในแหมมันมันสะทกสะท้อนนะนะเจ็ดพู้สาธารภัยต่างๆวันก่อนเนะี่ยดูข่าวที่อิสราเอลที่ตึกถล่มเนี่ยมันบูปหายไปเลยนะมีตากล้องคนหนึ่งก็ถ่ายไว้เนี่ยมันบูปหายไปเลยตายกันหลายสิบบาดเจ็บสามสี่ร้อยคนคนกําลังสนุกสนานกันอยู่ จะเนี่ยเขเกิดการุณาจะทํายังไงจะมีส่วนแบ่งเบาช่วยเหลือบําบัดความทุกข์ให้แกเขาได้บ้างเท่าที่จะช่วยได้ที่จริงแนวกรุณาเนี่ยเรายัางสามารถแสดงอะไรกันได้พอสมควรนะครับ้านเมืองเราเนี่ยแต่ว่าบางทีก็ปล่อยปาละเลยจนเกินไปอย่างมองที่ประบาดสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทพที่ท่านไปดูแลประเทศลาวอยู่เนี่ย คือเวลามองข่าวแล้วรู้สึกตื้นตันน่อนุมโมทนาชื่นชมยินดีว่าการช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์กันในบรรเทาความทุกข์ให้แก่กันเนี่ ย, ม, กกนนยมันต้องเกิดมาจากความคิดที่กรุณาต่อสัตว์โลกเขาเรียกว่ารักมนุษยชาติจ้มลุนวิชาการเนี่ยก็เรียกว่ารักมนุษยชาติแต่พระเจ้าจะใช้คำเมตนนะฮะเมตาก่อน แล้มันจะเกิดกรุณาได้แต่เราไม่มีเมตตาเราจะเกิดกรุณาได้ยากเมตตาจึงกลายเป็นเรียนใจเป็นฐานใจถ้าเรียกว่าเมตตาวิหารีก็มีปกติอยู่ในเมตตาเป็นคู่เจริญเมตตาอยู่หนึ่งิดนะฮะจนจิตเราไม่มีอย่างน้อยสมบัติคนนั้นนี่ย น, นะเราไม่อคา่าพยาบาทแล้วเราก็ไม่กำหนัดทําให้มันเกิดกรุณาเวลาเข้าประสบปัญหาเกิดประสความทุกข์ได้ ออกมาในรูปของการื่องกูนต่อเขาคือมีการไม่เบียดเบียนพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนะฮะตั้งแต่ตอน ส, สู้ใหม่ๆไปทับจูท่ที่ต้นจิกชื่อว่ามุจลินไต่ทรงตรวจดูสัตว์โลกเห็นม่าเบียดเบียนกันยุ่งไปหมดเลยคือถ้าเราดูสัตว์ในน้ำในป่าในตามอะไรแต่ไรเนี่ยมันเบียดเบียนกันจังเลยสัตว์ แล้วมนุษย์เราเนี่ยที่จริงถ้าเรารายงานถ้าเราสมมติสมมติเรามีตาทิย์นะฮะเราดูว่ามันมีไหมสักขณะหนึ่งที่คนหยุดเบียดเบียนกันเนี่ยไม่มีเลยเนะี่ยไม่ทําก็พูดไม่พูดก็คิดอย่างน้อยความคิดเนี่ยเอาขนาดทําก็พูดเนี่ยถ้าเราเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกมาเรียงกันว่าเวลานั้นวินาทีนั้นใครกระเบียดเบียนกันที่ไหนยังไงเนี่ยเราจะเห็นว่ามีทุกวินาที ดเดือดเบียงกันมากหรือเดือดเบียงกันน้อยแต่นั้นเองเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มองกันด้วยความเป็นมิตรแล้วก็จนมุ่งความบิบัติเรื้ร้อนแก่บุคคลอื่นพตอนการที่มองด้วยความไม่ดเดียดเบียนเนี่ยคือมุ่งที่จะบำบัดความทุกข์คือเห็นเขาประสบความทุกข์แล้วก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องการมีส่วนร่วมต้องการเข้าไปแบ่งเบา ปัญหาความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นอะไรก็ตามนะฮะเป็นเล็กน้อยตามี่เราพอจะช่วยกันได้คือถ้าเราแสดงน้ำใจได้ขนาดนี้สังคมยังน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเวลาเนี้ยบางครั้งบางค่าวในแม้แต่ในงานวัดมันก่อนก็มีพระเข้ามาพระคนนี้มนต์ไปสวดมนต์ชั้นเพลินั้งสมุดประกาศนะบอกว่าไปไม่ได้แล้วจริงสวดมนต์ติดเทศคือคือมันเกิด สลดมีคราวหนึ่งคนเลี้ยงอาหารเยอะจังงานละก็เยอะแล้วพอพระฉันเสร็จเนี่ยพระลุกขึ้นเี่ยเด็กมังกูเข้ามาเลยนะถือถุงถือถาต้าสงสารมอมแมมเนี่ยถูกไล่มึงก็หมูก็หมาอนะไรเราเลยใจเสียหมดเลยไม่อยากไปดูเห็นาพาะอย่ ง, งันเราก็พูดอะไรไม่ได้อะนะเราเป็นพราพูดอะไรไม่ได้แต่ว่า นึกว่า อ, อคนนอาเนี่ยทำบุญกับพระแต่หมาเรายังให้กินเลยนี่เด็กมันหิวมาเนี่ยให้แบ่งให้สังโต๊ะสองโต๊ะได้ไหมว่าหนูรอก่อนนะเดี๋ยวจะจัดแบ่งให้นะอย่าให้มันอย่าให้แกมาถึงก็ยื้อแย่งเลยมันก็น่าเกลียดแล้วก็อาจจะเข้าของอาจจะแตกไปแต่เราก็ส่วนหนึ่งก็ไปเลี้ยงคนนะให้ส่วนหนึ่งก็เลี้ยงเด็กนะส่วนหนึ่งเหลือก็อาจจะเลี้ยงสุนัขอะไรก็ได้ คือแสดงว่าถ้าเรามีน้ำใจเอื้ออาทรกันอยู่นี่ยังยังช่วยเหลืออะไรกันได้พอสมควรเพราะแนวกรุณานั้นมันเป็นการกื้กูนคือไม่เบียดเบียนไม่ซ้ำเติมสถานการณ์ต่างๆให้รุนแรงลงไปหาทางที่จะบรรเทาแก้ไขวันก่อนนี่ฟังก็สัมภาษณ์อะไรคือนอะไรที่ทางองบุบลราชธานีที่ก็ทะเลาะกันที่มาตั้ง การการเตร้นกันอยู่รอบทำเนียบ่คือไปไปแต่งตั้งผู้ที่ต่อต้านไม่ให้เปิดประตูเขื่อนเนี่ยว่าเป็นผู้ที่สร้างจ้างขึ้นมาแล้วก็กลายฝ่ายหนึ่งก็กลายเป็นคนดีนะคนที่เรียกตัวเองเป็นประชาชนสยามพูดอะไรอย่างนั้นออกมาได้จะ ร, รู้ได้ยังไงอ่ะคนก็เป็นร้อยร้อยอะนะท่านทาไมไม่มองเขาด้วยความเป็นมิตรแล้วก็มองเขาด้วยกรุณาด้วยกันล่ะ เกิดใจมันเริ่มอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะแก้ปาญาัญหายากเพราถือว่าทุกคนคือพี่น้องเราแล้วทุกคนกำลังประสบความทุกข์โดนทุกข์กับคนละประเด็นจะทำยังไงจะหาจุดประสานกันทดสอบกันอย่างนี้ได้ไหมพี่น้องทดสอบกันอย่างนี้ดูก่อนนะถ้าทำอย่างนี้แล้วต่อไปเนี่ยมันเหมือนกับที่คุณว่าบางก็ติดเป็นการถาวนไปแต่ถ้ามันมีประโยชน์อย่างอีกคนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่พิสูจน์มันก็ทำไม่ได้อนะมันต้องพิสูจน์อ่ะ มีสูก่กันแล้วก็ทุกคนเนี่ยต้องเจตนาดีด้วยกันแล้วทุกคนก็ใช้ประสบการณ์ของตัวเองด้วยกันอต่ น, นี่เราจะเห็นว่าแนวแนวทํางานเพื่อสาธารณะเนี่ยมันไม่ใช่ใจธรรมดาหรอกแล้วใจจะไปชิดแบ่งแยกอย่างนั้นก็จะทําไม่ได้ดังนั้นความคิดมันก็เริ่มจากความคิดที่ไม่เบียดเบียน และเออนสัตว์ที่ถูกทุกครอบงำไม่มีที่พึ่งเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้อยากจะมีส่วนแบ่งเบาความทุกข์แก่คนแกษัตย์เหล่านั้นต้องฟังทั้งหลายแต่ลงมาโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ข อ, ขอความเจริญม้องามไปบูรในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี